พหูเทวามนุษสาจะมังขลานิอาจินตยยงอากังขมนาโสทานังพรูหิมังขลโมดตะมังอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังขลโมดตะมัง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 ทุกขสมุทัยอริยสัจสาทุกขนิโรธอริยสัจสี่ทุกขนิโรธคารมินีปฏิปทาอริยสัจทุกขานิโรธทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะเป็นชื่อของพระนิพพานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคอริยมรรคก็มีอยู่สี่ระดับใช่ไหมหนึ่งโสดาปฏิมรรค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 ตอนหลังมาเป็นคำบันประชาสัมมณนทุกวันนี้สัมมณียังบวชด้วยคำว่าพุททางสารนังขาชามิอยู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เข้าถึงพระศาสนาก็พุททางสารนังขาชามิเนี่ยนะจะได้ดีจะตกยากจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากพุททางธรรมังสังฆังสารนังขาชามิเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ปกปักรักษาไม่ให้ตกไปสู่อบาย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 นี่ก็เป็นมงคลอุดมการอยู่ในประเทศอันเหมาะความเป็นผู้ทําบุญไว้แต่ก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี่ก็เป็นมงคลอุดมความเป็นพหูสูตรความเป็นผู้มีศิลปะมีวินัยที่ศึกษามาดีมีวาจาเป็นสุภาษิต นี่ก็เป enfin ah <entrepreneur |id|>. ็นมงคลอุดมการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรภริยาการงานอันไม่อากรนี่ก็เป็นมงคลอุดมทานธรรมจริยาการสงเคราะห์ญาติการงานอันไม่มีโทษนี่ก็เป็นมงคลอุดมการงดเว้นจากบาป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 ความเส้มปลอดโปรงนี่ก็เป็นมงคลอุดมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้วไม่พ่ายแพ้ในข่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลนี่นไะง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 อันนะเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริงมงคลสามสิบแปดนั้นใครที่ท่องได้สาทยายได้เป็นทั้งข้อปฏิบัติในชีวิตด้วยเตือนเช้ามาสาทยายดูว่าวันนี้จะได้กี่มงคลตอนเย็นก็สาทยายอีกครั้งหนึ่งว่าได้อัปมงคลมากี่ข้อจะได้สะเดาะให้มันเรียบร้อยอ น, นะเพราะว่าอัปมงคลมาก็ต้องสะเดาะใช่ไสะเดาะด้วยการสมาทานใหม่ไล่ไปเลยนะ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 ะกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องประพฤติเนี่ยนะพุทธกิจเพราะเนาในหนังสือพุทธกิจซึ่งผู้เรียบเรียงก็ของเรานี่ก็นับว่าเป็นมงคลนได้คบบัณฑิตเพราะมีบัณฑิตผู้เรียบเรียงพุทธกิจก็อยู่ในห้องเราด้วยนะเนี่ยนะอยู่ด้านโน้นเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆประตูนั่นแหละตาสุรีช่วยยกมือให้หน่อยนะเขาจะได้รู้ระลึกถึงเรามีอุปการะมากแล้วนะการเรียบเรียงพุทธคุณก็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 ที่เราจะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเลยนะถ้ายิ่งรู้กิจของพระองค์เนี่ยนะกิจของพระองค์เนี่ยนะกิจตอนเช้าใช่ไหมกิจตอนเช้ากิจตอนบ่ายกิจตอนค่ำปฐมมายามมัชมมาามชิมยามปฉิมยามสรุปแล้วทํากิจตลอดเลยไม่มีว่างเพราะพระองค์กําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากพระองค์หมดแล้วตื่นเอาพูดแต่เชา้ชามืดนะเช้ามืดนี่ตรวจดูอัธยาศายเวนยศาตร์ก่อนใช่ไหม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 ยกย่องชมเชยมากเนี่ยน ะ, น ะ, นะทีนี้พระมหากษะสปะนั้นท่านระลึกถึงคำของหลวงตาสุพัทธะหลวงตาสุพัทธะนี่ก็เป็นพระเถระเออเป็นพระพิสุที่บวชตอนอายุมาก ก, ก็ก็มีนะบางคนก็บวชอายุมากว่านอนสอนง่ายก็มีเช่นพระราธะบวชอายุมากแล้วก็ว่ายากเหมือนหลวงตาสุพัทธะนี่ก็มีเนี่ยนะทีนี้คำของหลวงตาสุพัทธะนี่แกแกกล่าวคือวันหนึ่งเนี่ยนะ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 ซึ่งจริงๆแลว้วะที่พระองค์ประทานให้ทั้งหมดเพราะพระองค์นี้ทรงทราบว่ากัสปะผู้นี้จะเป็นผู้ดํารงวงพระสัจธรรมของเราเห็นไทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสัจธรรมนี่หมายถึงอะไรสัจธรรมนะหมายถึงโพธิปัจขัยธรรมนโดยทั่วๆๆไปนั้นพระสัจธรรมเนี่ยหมายถึงโพธิปัจจัยธรรมแต่โพธิปัจขัยธรรมก็กว้างขวางอัะนนะี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 มันวันนี้ก็ขมขมไปบ้างแล้วกั น, <笑><笑> น, นก็พอพวกมีสัตตินีมันก็มีทุกวันนั่นแหละไม่ใช่มีเป็นครั้งคราวแล้ววิรีนีสตินีสมาทินีและปัญญินีตัวอีกครั้งหนึ่งนะสัตตินีเห็นที่ไหนดูได้ที่ไหนโสตาปฏิยังฆาธรรมีวิรีนีดูจากสมัมมาประธานีสตินีดูจากสติประธานีสมาทินีดูจาก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 จะทำสังายาพระธรรมขึ้นก็เลยถามภิกษุว่าจะให้ใครเป็นธุระในการตอบพระธรรมก็บอกให้พระอนุนนี้เป็นธุระท่านพระมาหากระสปะก็ประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านจะเป็นผู้ถามพระธรรมพระอ น, นุนก็ประกาศตนว่าจะเป็นผู้ผู้ตอบพระธรรมก็คือมีการถามตอบพระธรรมก็ถามไล่ตั้งแตพรมชาลสูตรนี่นะพรมชาลสูตรสามัญญผลสูตร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 ัคำว่าพักวาในหน้าหนึ่งร้ยสี่สิบเจ็ดนี่รายละเอียดกว้างขวางดูในวิสุทธิมักนะนะวิสุทธิมักนี่ขยายในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นหลักแต่ในคุตกะปาฐเนี่ยนะในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะมาขยายให้ดูเป็นหกคำหกคำก็คือหนึ่งพักไยวาพักวายุโตพัเคหิจะวิพัตวพตวาพัฒตวาวันตะขมโนพระเวสุพักาวกาตะโตหกคำนั่นหนึ่ง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 ตกนรกก็ได้อหฮีริกาอนโนตปะเป็นต้นเหตุมันทําให้ชีวิตพินาดสัตว์โลกนี่พินาดเพราะอาหฮีริกากับอนโนตปะโกธอุปนาหะความโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะมัคขะความมัคขะอะไรดูหมิ่นใช่ไหมลบเอ่อลบหลูป拉萨าาก็ดูมิ่นนะลบหลูดูมิ่นเขาจะมาคู่กันอิสามัชชรยะริษยากับขี้เหนียวเนี่ยมาคู่กันนะมายากับสาไถยก็คู่กัน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 ก็อกุศลสัญญานะเช่นกรมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาวิตกสามก็กรมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสามปปันจะทำสามเครื่องเลื่อนช้าก็คือตันหามานะกับทิฐิประเภทวิปริเยสะสี่ก็คือเนี่ยวิปลาสแสวงหาว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตาานะการสแสวงหาที่ไม่ดีนะก็คือวิปลาสสีนั่นเองอาสวะสี่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 อันหาไฮพระองค์จากพระเชตวันเข้าถึงพรหมโลกเหมือนกับคูแขนกับเหยียดแขนคูเหยียดเนี่ยนะคนมีกำลังนะบุรุษผู้มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยคูเข้ากับเหยียดออกไม่ใช่ปัญหาฉันใดพระองค์นีนสามารถทําได้ทุกอย่างฉันนั้นนั้นมีอนุภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจในส่วนของจิตตชรูปนะแต่ในส่วนของกรรมมชรูปจะไปทําอะไรเนี่ยเนี่ยเในส่วนรูปมันมีสีสมุทฐานใช่ไหม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 พักวาในที่สี่ว่าวิพัตตวาวิพัตตวาที่แปลว่าจำแนกคาอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นวิพัตตวาท่านอธิบายว่าทรงจำแนกเปิดเผยแสดงซึ่งทำทั้งปวงโดยประเภทมีกุศลเป็นต้นจำแนกกุศลอกุศลอัพยากตะจำแนกทมที่สัมปยุต์กับสุขเวทนาทำที่สัมปยุตกับ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 ขันอาญตนะธาตุสัจจะอินย์ปฏิจจะสมุบาทเป็นต้นนะปฏิจจะสมุบาตเป็นต้นหมายถึงปฏิจจะสมุปปณธรรมปฏิจจะสมุบาทเป็นชื่อของปัจจัยปฏิจจะสมุปปณธรรมแปลว่าผลของปัจจัยท่านพระองค์จำแนกแสดงทั้งเหตุทั้งผลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยังสามารถจำแนกโดยในยางอื่นอีกเช่น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 ปลิโพทะน่วงเอาไว้ไม่ให้ถึงมรรคห้ามเราหน้าดูเลยนะก็คิดดูนะถ้าสมมติถ้าเราได้ผ้าสวยๆนี่เราจะคิดถึงมรรคไหมหันไปดูอริยมรรคเลยนะไม่ค่อยมีนะยากก็ดูเอาเถะตอนอาหารอร่อยๆคิดถึงมรรคบ้างใครปัจเวกบ้างยกมือขึ้นผุมชูนะยกมือเลยนะสาธุอะไะเจออาหารอร่อยเข้าไปเลยลืมปัจเจกนะลำใหญ่ก็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 อริยมรรคสามประเภทอริยมรรคสามประเภทนั้นก็เท่ากับบอกอริยผลไปในตัวนะนะถ้าหากว่าสุญเตาวิโมก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่สุญเตะสมาบัติอัปะนิเตาวิโมก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่อัปะนิหิตาสมาบัติอนิมิตเวิโมก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่อนิมิตตสมาบัติเพราะฉะนั้นสุญญตาวิโมก็มีสุญเตานิพานเป็นอารมณ์อัปะนิหิตาวิโมก็มีอัปะนิหิตานิพานเป็นอารมณ์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 ในหน้าหนึ่งร้ยหกสิบสามก็เป็นข้อถกกันในเรื่องมงคลบางคนก็บอกว่าสีที่เห็นสิคือมงคลอันนั้นหนึ่งร้อยหกสิบสามนะเขาถกกันว่าอะไรคือมงคลใช่ไบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เห็นเรียกว่ามงคลคนที่ถือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลเรียกว่าทิฏฐ์มังคลิกะนับถือสิ่งที่เห็นว่าเป็นมงคลเช่นเห็นรูปใช่ไหมบางคนถ้านับถือนกก็เห็นนกกระเตนก็เป็นมงคลอย่างงี้นะ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 เหตุแห่งความเจริญในศ า, าสนาเราถือว่ามงคลสามสิบแปดเป็นเหตุแห่งความเจริญนะส่วนมงคลข้อ น, นี้มันมงคลในความคิดอ น, นะคือเขาเชื่อว่าเป็นมงคลอันนี้เป็นทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะถ้าสมาทานยึดถือมากๆไม่แน่นำเกิดได้นะสมมุตินะถ้ายินดีในสีเนี่ยถ้ายินดีในสีที่เห็นมาเนี่ยนะควรจะเกิดเป็นอะไร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 โปรดอาศัยพระกรุณาตรัส บ, บอกมงคลอันนั้นแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายแหละต้องการมงคลนะต้องการเหตุแห่งความเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าอาศัวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตํมมังคามุตตะมังนี่ยนี่นนนก็เป็นมงคลคาถาแรกก่อนนะ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 ผลประโยชน์ในชาวโลกเหมือนกันนะไปเสียหายบางเรื่องอเจ้านั้นน่ยมันพาไปถ้าไม่เชื่ อ, อเจ้านั้น น, นเราไม่เสียหายขนาด น, น, นี้หรอกเงี้ยนะถ้าประโยชน์โลกหน้าก็นิย่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าประโยชน์โลกหน้าสาัตว์ที่ไม่มีกรรมมศกตาก็าไม่ค่อยรู้ว่าเออเสียประโยชน์หรือไม่เสียมบางทีก็แยกไม่ค่อยออกบางทีนึกไม่ออกเลยเนะียถ้าไปยิ่งโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกหน้าเป็นเดระฉานจบเลยเนี่ยนะอันนี้สนิทบอดตลอดกาล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 แต่ว่าสมัยนี้เขาก็มีวิธีการตกปลาแบบชนิดทีเรียกว่าทำยังไงจะจับปลาได้เร็วที่สุดมากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้นเ้าก็มีวิชาที่มาถ่ายทอดกันเจ้ากรามเอ้ยใครรับเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ก็มรดกบาปไปเถอะเนี่ยนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีมรดกบาปไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็ถึงกับขนาดผลิตอาวุธแจกจ่ายเข้าไปด้วยแล้วก็โทษของวัตตะจริง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 เอาทำไมคุณเลี้ยงสัตว์เพื่อการฆ่าอย่างนั้นละ่ะโอ้ยของเราทำยังไงเราก็สู้ซีพีไม่ได้หรอกคำว่างนันามีวิธีคิดไหก็มาเปรียบกับคนที่มันทำมากที่สุดนะอ่นะเพราะฉะนัน้นของเราก็เลยไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยมันฉลาดคิดมากจนตัวเองเลิกไม่ได้อะสรุปว่าเยียวยาไม่ขึ้นอางนั้นเถอะ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 อันหนึ่งบัณฑิตนั้นเสมือนของหอมมีกลื่นสนาและดอกไม้เป็นต้นคนผู้นับถือบัณฑิตก็เสมือนห่อด้วยใบไม้ที่ห่อของหอมมีกลื่นสนาและดอกไม้เป็นต้นยังประสบภาวะที่วิญยาชนชมเชยและพอใจก็กระป๋องใส่น้ําหอมนี่หอมไหมหอมเนี่ยนะพลาสติกใส่ของหอมยังหอมเลยเนะยบัณฑิตก็ลักษณะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่านรชน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 มีไหมคํานี้พระพุทธเจ้าชี้ให้พระสาวกของพระองค์บูบชาพระประเจกใช่ไหมในอิสิกิริสูตรอิสิกิริสูตรยกย่องว่าเขาอิสิกิริเนียมีพระปัเจกเป็นต้นเนี่ยมายังไงแล้วพระองค์ก็บอกชื่อของพระปัเจกเหล่านั้นบอกให้เธอทั้งหลายน้อมสักการพระปัจเจกเหล่านั้นบอกให้น้อมสักการนะพระพุทธเจ้ายังแนะนําเลยดูนะอิสิกิริสูตรในมัชฌิมนิกาย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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานี้ไว้สามมงคลคืออาเสวนาจะพาลานังอันนี้หนึ่งใช่ไหมปันดิตานันจะเสวนาอันนี้สองสามปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคามุตตัมมัง <c oughs> ในมงคลทั้งสามนั้นพึงทราบว่าการไม่คบคนพานชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ของโลกทั้งสอง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 เมื่อร้อยชาติที่แล้วเนี่ยท่านท่านเป็นคนรักเมียมากเมียนี่ไม่ชอบพ่อไม่ชอบแม่เพราะว่าพ่อแม่ของพระโมคคัลลานะในอดีตนั้นอ่ะเป็นคนตาบอดอ น, นะเมียก็ไม่ชอบที่จะต้องอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดเนี่ยนคือไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อผัวแม่ผัวก็ยุแหย่ผัวเนี่ยให้ฆ่าให้ฆ่าพ่อแม่เธอซะเถอะพ่อแม่ของเธอเลวมากใช้ไม่ได้ไอความที่รักเมียเนี่ยรักเมียเนี่ย คือแรกๆ ก, ก็ก็ไม่เห็นด้วยพอถูกเขาเสี้ยมสอนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาก็เลยเห็นด้วยว่าออพ่อแม่เราก็แก่แล้วก็ควรฆ่าซะ ก, ก็ก็เชื่อเชื่อมีเนี่ยนะว่าความความรักเนี่ยก็เลยชวนกันไปชวนกันไปที่ป่าคือคือเอาพ่อแม่เนี่ยขึ้นเกวียนไปพอไปถึงป่าก็แปลงร่างเป็นมหาโจรเองเลย พ่อแม่นี้ยก็ความที่รักลูกก็บอกลูกเอ้ยหนีไปเถอะหนีไปเถอะไอ้ลูกก็สวมบทโหดข้าพ่อข้าแม่ด้วยกรรมอันนั้นเนี้ยแกก็หมกไหมในนรกนั่นนะทุกชาติหลังจากนั้นมาเนี่ยจะถูกทุกตายทุกชาติกระดูกเนี่ยเป็นข้าวสารหมดทุกชาติร้อยชาติมาแล้วไอ้ที่ตกนรกในอดีตต่างหากนั่นนะแต่ว่าเศษกรรมเนี่ยทําให้หมกไหมยอยู่ในนรก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 เพวกนี้จะไม่ค่อยโสมนัตมากนะักนะเพราะว่าว่าด้วยอํานาจของการพิจารณาผู้ที่พิจารณามากๆจะไม่ค่อยโสมนัตมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ปัจจัยที่จะทําให้โสมนัตโทมนัตที่มีกําลังเนี่ยมันค่อนข้างมากนะก็ว่าเป็นรายคนไปการพิจารณารูปที่แสดงแบบย่นยอ่อกับพิจารณาเวทนาแบบย่อๆหรือเวทนาสามเนี่ยนะ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 ก็ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะกายะหรืออีกในหนึ่งก็อกุศลกรรมบทสิบเป็นเครื่องวัดในความเป็นทานพันขณะใดาก็ตามที่อากุศลกรรมบท10บเกิดแก่บุคคลใดเมื่อใดบุคคลนั้นเรียกว่าขนพานความเป็นบัณฑิตก็อากุศ ล, ลกรรมมบท10บประการเนี่ยนะทั้นใครที่กประพฤติในอากุศลกรรมบทโดยมากผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นพาน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 ก็ตรัสว่าปฏิรูประเทสวะโสจะปุเพจักตะปุญญตาอัตะสัมมาปณิทิจเอตตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะก็เพราะเทวดาทั้งหลายอยากฟังเพราะมงคลทั้งหลายมีอยู่และเพราะมงค์คนใดๆอนุกูลแก่สัตว์ใดๆทรงมีพุทธประสงค์จะทรงประกอบสัตว์นั้นๆเอาไว้ในมงค์คนนั้นๆคือพระองค์ต้องการให้สัตว์นี้ได้รับมงคลคนทวนอีกครั้งว่ามงคลคืออะไรเหตุแห่งความเจริญ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 อำเภอชนบทก็คือจังหวัดนนะแปลว่าด้วยหรือไทยๆก็เรียกว่าและ น, นะคุณวิลาวันและคุณชูศรีอย่างนี้นะเาเรียกว่าแล ะ, และนะก็บอกว่าวิลาวันจะชูศรีจะเนี่ยนะอย่างเงี้ยจะตัวนั้นแปลว่าและหรือแปลว่าด้วยก็ได้วาสะแปลว่าการอยู่เนี่ยนะปฏิรูประเทสวาโสถ้าแปลรวบตามศัพท์ก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควร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 อัตตะหรืออัตตาตัวนั้นแปลว่าจิตก็ได้แปลว่าอัตภาพทั้งหมดก็ได้เรียกว่าอัตตาอัตตะที่เรียกว่าตนตนเนี่ยคํคำว่าตนเนี่ยหมายถึงจิตก็ได้หมายถึงอัตภาพก็ได้การประกอบไว้คือการตั้งความปรารถนาของตนเอาไนวะ้ชอบอธิบายว่าการตั้งตนโดยชอบชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิทิการตั้งตนไว้โดยชอบคือการตั้งความปรารถนานก็คือปรารถนาดี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 เช่น้าสมพุทธการนะทศนานุตริยะใช่ไหมได้เห็นพระพุทธเจ้าสองสวนานุตริยะได้ไรได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามลาภานุตริยะเพราะได้สัพานในพระรัตนตรยัยสี่เสขานุตริยะพราะจะได้อบรมที่ศีลอธิจิตอธิปัญญาห้าปาริจาริยานุตริยะได้บำรุงพระรัตนตรยัย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 อ่าเป็นร้อยกิโลเมตรเนี่ยมองเห็นหมดเลยะเพราะฉะนั้นอ่าตำแหน่งค่อนข้างดีสถานที่ตรงนั้นนะที่พระ อ, องค์แสดงยงมากาปารติหารส่วนที่เสด็จลงจากเทวโลกก็คือตอนนี้เรียกว่าเมืองสังกษะเมืองสังกษะแล้วก็เมืองสาวัตถีเมืองราชเครื้นันะหลายท่านในที่นี้ถ้ามีบุญนะนะบุญไม่ตกหลน่นหายไปก่อน <c oughs> ก็คงได้จาริกไปเจริญกุศลตรงนั้นเนี่ยนะสามารถ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 บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในทิศใดก็หันม้าไปทางทิศนั้นไม่ต้องมีการกลับไปสังเสียเลยนะขี่มาควบไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปถึงเจอพระพุทธเจ้าพอองแสดงธรรมก็แน่จริงนะฟังหนึ่งรอบบรรลุโสดาบันตอนหลังไมเหสีตามมาฟังอีกรอบหนึ่งก็บรรลุเป็นผ้ารหันเรียบร้อยเลยพระเจ้ามาหากปิณ น, นี่เป็นผู้มีบุญทำไวในปางก่อนจริงจริง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 อริยาสาัจจานัทสนังนิพานาสัจฉิกิริยาเอตัมมังคลมุตตามังเนี่ยโดยเฉพาะมงคลข้อหลางๆเนี่ยจะทำให้เกิดฉันทาทำให้เกิดศรัทธาเมื่อมีฉันทาก็จะเกิดอุตสาหะเมื่ออุตสาหะก็ใช้อยู่ในดุลพินิจคือการเข้าไปพิจารณาทุกขสัจโดยปริญญาสามเป็นต้ น, นทีนี้เมื่อเพ่งพินิจอย่างนั้นก็จะตั้งความเพียรในการเจริญอริยมรรคสั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 อกุศลกรรมบทสิบอานาการทรงจําในสิ่งเหล่านั้นได้ก็เป็นมงคลใช่ไหมก็อย่างผู้ที่ประกอบอาชีพใดโดยโดยเฉพาะที่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนะถ้าทรงจําในสิ่งนั้นนั้นได้ก็นับว่าเป็นมงคลด้วยนะเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สักในโลกทั้งสองเนี่ยนะเพราะว่าวิชาการทางโลกบางอย่างบางสาขาก็นะก็ไม่ได้เสียหายประโยชน์โลกนี้ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ไม่ขัดอะไรต่อประโยชน์